<c oughs> จริงๆแล้วเมากินเราได้สวดมามนบทสำคัญมากเลยก็คื อ, อมองคอลสูตรเนี่ยสำคัญมากนะเริ่มตั้งแต่เสวานาจ้าภาลานังนการไม่คร บ, บการไม่ครบคนพานนะปณิตานันยเสวานาการครบบันฑดตดเนี่ยเป็นมงคลทสูงสุดอันนี้ก็เป็นความจริงนะ ถ้าเราเลือกคบคนที่ผิดเนี่ยเราจะผิดตลอดเลยพระพุทธง์จึงทรงบอกว่าตะรยานมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งหมดของพรามจรรย์ในจุดเนี่ยถ้าเราคบคนผิดปั๊บทีวีตเราจบตันทันทีนะยกตัวอย่างบางคนคบเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันไปดื่มเหล้าด้วยกันปั๊บเนี่ยพอมีเรื่องชกต่อยกันเนี่ยหรือ เพื่อนเราที่ในกลุ่มไปฆ่าอีกคนหนึ่งตายนะเราจะโดนจับด้วยนในข้อหาอสมคบกันฆ่าคนตายอันนี้นะกตำรวจเ็า่วบไปหมดเลยถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะหรือหน้าตนเราเป็นในวงการพนันนะไปนั่งดูเพื่อนเล่นการพนันตำรวจจับก็จับไปทั้งกลุ่มเลยนะถือว่าเราล่วเกินเล่นการพนันไปด้วยเห็นชัดชัดเลยนะ นะถ้าเราครบเพื่อนไม่ดีนี่เราก็ไปเลยอยาเสพติดหรืออะไรทั้งหลายๆก็ไปจุดนี้นะเพื่อนชวนไปในทางไม่ดีหมดเลยนะแต่เราคบเพื่อนที่ดีแล้วเนี่ยเ <c oughs> พื่อนที่ได้รับ <c oughs> ดีแล้วนี่เป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะ <c oughs> บางคนนะมีเพื่อนที่ดีชักนํามาปฏิบัติธรรมก็มีคือ <c oughs> บางคนก็บอกว่า <c oughs> ถามนักปฏิบัติเออทําไมมาบอกว่าเพื่อนชวนมาก็มีนะอันนี้เป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะ ชักนำในทางดีๆนี่เป็นการมิตีและถือเป็นที่สุดของพุทธเจนด้วยนะสำคัญที่สุดนะเราครบคนไหนก็เป็นบัตรคนนั้นนะเพราะนั้นเราต้องคบแต่คนดีๆไว้นะคนนั้นนะเราครบนะคบกั บ, นะ บ, กบนะอย่างที่นี้เราก็คบกับหนะลวงพ่อคาเขียนนะท่านก็ชักนำในทางทดีแล้วก็ไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนนะเพราะนั้นเราก็ไม่ผิดหวังกันแล้วก็มีหลายอย่างนะนะ <c oughs> การทะนุบำรุงบิดามดารดาการสงเคราะห์ญาติพี่น้องทั้งนั้นเลยาการฟังธรรมตามการาเป็นมงคลอสูงสุดนะจนมาสรุปสุดท้ายนะก็คือมีความเพียรเผากิเลสนะจนถึงทำพนิพาณในแจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราเกิดมานะจริงๆแล้วถ้าคนเราเราต้องคำถามนิดนึงมากว่าเราเกิดมาทําไมนะตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะถ้าคนไม่รู้จักตั้งคำถามนี้ เขาจะไม่รู้ว่าเออเกิดมาทําไมเหมือนกันแล้วก็มันก็เสียเวลาทิ้งชีวิตเลยนะก็มีเพื่อน ห, หลายๆคนสมัยก่อนอาตมาก็กอน่าอายุยี่สิบปีแล้วแหะก็คงจะเป็นคนเก่าออพอดีเกิดความสนใจในทาธรรมขึ้นมาโดยเพื่อนเราก็ไม่ตั้งใจเหมือนกันสนใจขึ้นมาแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมจนเข้าใจถึงระดับหนึ่งก็พยายามไปชวนเพื่อนที่เมื่อก่อนเคยไปเที่ยวด้วยกันนะเที่ยว อะไรที่นั่ไปทางในทางที่ไม่ดีนะทางโลกทางอะไรเนีย่ยเยะเลยมีเพื่อนหลายคนชวนมาปรากฏไม่มีใครมาทำทำมันละคนเดียว <c oughs> มีแต่คนแบบอะไรเพี้ยนไปละ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆหายทีละคนทีละคนบานที่ไปเจอตามงานต่างก็คุยเข้าเพราคุยไปคุยมาอาพอพูดทํามานิดหน่อยเ้าก็พยายามมองเมือเ่อไรเพี้ยนไปอะไรเงี้ยทุ้งทั้นี้มันก็หาโอกาสคุยแล้วก็คุยยากนะต่างคนต่างทํางานกันแล้วมันต้อไปเจอตามงานต่างคุยถ้าบ้านนิดนิดหน่อยก็ เขาเคยหายไปเขาเคยหายไปน ะ, นะทุกวันนี้บา<ร>งที่เพื่อนในพันธุ์ โ, โ, โรแทยจะไม่มีเลยเพราะเขาก็ไม่เข้าใจกันนะมาตรการทุกประบัดสร้างยังบาลงมาเทียนนะครับเมื่อก่อนก็ไปบัดแล้วก็เข้าใจก็ไปไปแนะ น, นํำเพื่อนๆนะก็มีมากอะไรคนเลทั้งผู้ชายผู้หญิงนะก็ไปนั่งสร้างยังบาร์เขาดูนะแล้วก็เพื่อนบางคนนี่มากาบลาอาจารย์ผมขอกาบลาก่อนผมมีธุระ รีบกลับไปเลยก็เข้าใจว่าเขาหมายความว่ายังไงนะหลังนั้นเก็ไม่มาอีกแล้วก็ได้ข่าวเขาไปบอกว่าเราเพียนไปไกล้วอะไรทํานองนี้มันระจำนะก็ไม่รู้ทำไงานแต่ตอนหลังก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้ลาความพยายามก็ไปดึงมาได้เป็นบางส่วนเหมือนกันนะให้มาสนใจการปฏบัติธรรมแล้วแต่ทุกวันทุกเพื่อนๆก็ยังประมาทกันอยู่มากเลยประมาทกันมากทำทั้งนี้อายุก็มากๆกันแล้วเนี่ย เพราะนั้นก็จึง จ, งจึงได้เห็นความจริงวนะ่าจริงๆแล้วมันะมันก็ยากนะที่คนที่จะมาศึกษาในเรื่องชีวิตจิตใจจิตใจของเราเนี่ยว่าเราเอาเกิดมาทําไมนะถ้าเราศึกษาว่าเราเกิดมาทําไมหรือตายเราไปไหนแค่นี้เท่านั้นเองเราก็จะไม่กังวลแล้ว อ, อืเราทำไมต้องเกิดมานะถ้าเราไปมาศึกษาในจุดเนี่ยเราก็ จะมีแต่ความเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีโมหะคือความหลงหลงตลอดเลยนะหลงตลอดทุกวันนี้คนเราจะหลงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่รู้ผิดทางไม่พบผิดทางพอเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยก็แก้ปัญหาไม่ออกเนี่ยฆ่าตัวตายกันเยอะเลยนะอย่างเมื่นานนี่ก็มีอะไรในพาดจั๊กอะไรสุขารลมอะไรนี่ก็ฆ่าตัวตายซึ่งมันเป็นปัญหานิดเดียวถ้าคนไปบัติธรรมเราก็โอง่ายมากไม่มีปัญหาในจุดนั้นะแล้วก็เขาแก้ไม่ออกเนี่ยคือการฆ่าตัวตายเนี่ย ก็เคยเคยศึกษามาพอสมควร น, ะ, นะเคยคุยกับหลายหลายคนแล้วเคยคุยนักโทษด้วยหลายหลคนเลยนะนักโทษนี่พี่ชายกัเพื่อนนะแต่ก็เคยติดต่อกันทางจดหมายเนะขาก็มีปัญหาก็เคยเขียมาถามว่าเป็นฆราวาสแล้วละ่และแล้วก็รู้คนน้องนี่เป็นส่วนใหญ่ก็คือออกจากความคิดไม่ได้นะออกจากความคิดไม่ได้แล้วก็มีความทุกข์จากความคิดนี่แหละวนเวียนนะวนเวียนอยู่ออกจากความทุกข์ในจุดนั้นไม่ได้ก็เลยไปฆาดตัวตายกันนะ หรือนักโทษในหลายหคนที่เขียนมาบอกว่าเขาไม่มีไม่ได้ทําความผิดเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำความผิดแบอกว่าไม่ได้ทำความผิดจรดดิงๆนะยืนยานได้เลยแต่ว่าทําไมต้องมาขังคุกกันไม่รู้มีความทุกข์มากแลย้ยมีความอาฆาตมากเลยาาเลยนะี่ย <c oughs> ก็เขียนหมาต่อไปคขาว่าอาบางทีเราไม่ได้ทําผิดในชาตินะแต่อาจจะทำในชาติก่อนก็ได้ง <c oughs> ดูได้บางทีนกนะหรือสัตว์บางอย่างเนี่ยเราไปขังมันตลอดชีวิตก็มีมันก็ไม่ได้ทํำผิดเหมือนกัน น, นะเราไปขังมันตลอดชีวิตนะ นะเพราะนั้นเราอาจจะเคยทาในจุดนั้นมาก็ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้กรรมไปนะบางทีเราชาติไม่ทำํำเราก็เป็นชาติก่อนเราไปเรื่งในจุดนี้ทําไมเขคลายคลายความทุกข์ทางใจไปไเยอะเลยเขาก็เออมันก็จริงนะบางทีชาตินี้ไม่ทําชาติก่อ น, นอาจจะทํานะทำให้ความทุกข์ในเขาน้อยลงไปนะเขาวางใจได้เขามีความสุขขึ้นเยอะนะเพราะจริงๆนั่นนะถ้าคนเรามาศึกษาในเรื่องชีวิตนิดนึงเท่านั้นเองน่นะว่าคนเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนแค่นี้เราก็จะเอาจากความทุกข์ได้แล้วละ จริงๆแล้วก็คือออกจากความทุกข์ได้ในลันดอนด้วยถ้าเราเข้าใจจริงๆในจุดนี้นะคราวนี้มาคนส่วนใหญ่ทุนในศึกษากแลังจะประมาทกันเยอะเลยทําผิดสิบห้ากันอยู่ประจํานะโดยทว่เมืองไทยเนี่ยแหละเป็นเมืองพุทธแต่ปรากฏว่าคนกินเหล้าแย่งดับสูงสุดของโลกเลยติดอันดับไม่เกินที่สิบของโลกเลยนะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธก็จริงนะครอับคงประมาทกันเยอะมากเนี่ยทำผิดต่างๆลงข่าวหน้าหนึ่ง มีการรักทรัพย์ค่ากันตาย้นทรัพย์ผมขืนอยู่ประจำนะต่างประเทศเขาไม่น่าเชื่อมองไทยจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าใกล้เกกินด่างนะก็ยิ่งดีใจทางพวกเรานะพวกเรานี่ถือวเกิดในเมืองไทยนะในขณะที่คนไทยที่พบกับพุทธศาสนาท้าเนี่ยก็ไม่มาสนใจการปฏิบัติธรรมกันนะหรือติดกันแค่เปลือกเท่านั้นเองลองไปดูตาบดังตานั้นในช่วงที่ฤดูเทือกถินเนี่ยไปทับบุญกันเยอะมากเลยนะ บางทีจัดรถพ่วงกันไปเป็นสิสิบคันนะไปทําบุญเท่ากฐินเท่าป่ากันเยอะมากนะอันนี้เขาเรียกเป็นแค่เปิดเท่านั้นเองนะหรือบางคนก็มาใส่บาตรอะไรทั้งหลายหลรือมาฟังฟังธรรมหรือมารักษาศีลก็มีนะอันนี้ เ, เป็นแค่เปิดก็มีตอนนั้นเคยไปอยู่บางวัดนะก่อนจะมอยู่นี่เคยไปอยู่บางวัดมาก่อนเหมือนกันนะมา ก, กา็ช่วงเข้าพรรษาี่ยจะมี <c oughs> มีมีโย น, นมารักษาศีลกันในช่วงวันพระในระหว่างเข้าพรรษาในยเยอะมากเลย บางวัดนี่ไร้สิบป์ะเกือบร้อยก็มีนะเยอะมากแต่มาแล้วก็มานั่งนันนนนกันรักษาศีลแปดมานั่งนันนอนกันแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยนะสมัยก่อนยังคิดว่าเออทำไมเ้ามารักษาศีลกันแล้วก็นั่งนันนนนกันน่าจะปฏิบัติธรรมกันบ้างเนี่ยแต่เราก็ไม่สนใจแล้วก็นั่งคุยกันนะในเมตตากรับเนี่ย ก็คือเขาเข้าใจว่าการรักษาศีลก็คือการมาอยู่วัดนั่นเองนะเพราะถ้าอยู่บ้านอาจจะศีลดังพร้อยอาจจะทําผิดศีลดังต่างอาจจะไปดูการเล่นการป้อนลัาไปนั่งนอนบนที่นาสูงใหญ่ประดับ ต, ตกแต่หรือได้ได้ฟังเสียงเพลงต่างๆงงทางวิถีโยธรรมทำให้ศีลดังพร้อยก็เรักษาที่วัด อันนี้เป็นสิ่งที่เข า, าติดแคบเปลือกทางใน น, นนะเป็นแคบเปลือกนะแต่จุดสําคัญนัคือว่าการปฏิบัติธรรมสาคัญแต่เขาไม่เข้าใจในจุดเนี้ยไม่เข้าใจในจุดนี้ เ, นนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือพวกเรานถือว่าเราโชคดีรู้ว่าอะไรคือผนทางเดินนิทานจริงเราก็มาตัวในกัร น, นะเพราะว่าจุดสุดท้ายก็คืออะไรจุดสุดท้ายคือเราก็ต้องทํา ให้ถึงสิ่งพันิภานั่นเองนะนี่คือจุดหมายในสูงสุดในปลายทางของเราถ้าเราไม่หวังตัวเนี่ยแล้วเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะมาปฏิบัติธรรมน ะ, ะมันจะเป็นหนทางที่เรียกว่าเร า, าเป็นทางที่เราทางตันทางตันเพราะนั้นบางทีก็ <c oughs> สังเกต ด, ดูเออถ้าใครที่มีจุดหมายใป็นท้าจริงเนี่ยเขาจะไม่ตันน ะ, ะแต่สามารถเดินไปได้และถึงที่หมายอย่างงดงามด้วยนะแต่ถ้าเราไม่มีที่หมายเป็ท้าจริงเนี่ยเราก็ถึงทางตันนะ เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ดีโดยเพราะเรามีชีวิตสั้นสั้นสั้นๆอย่างที่เมื่อกี้เราสวจถึงบทหนึ่งนะฮะในบัญชีทั้งหลายนะว่าวันคือรุง่งเกินน่ะมันคือร่วงไปลงไปบัตรนี้เราทําอะไรอยู่นะถ้าเราเราเห็นว่าจริงๆแล้วมันร่วงไปจริงๆนะแล้วเราไปประมาทเนี่ยเราก็โอ้โหเขาเรียกว่าปล้นตัวเองเลยคนที่ประมาททาเวลาสูญไปถือเป็นการปล้นตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ปล้นเราหรอกมัเราเราปล้นตัวเราเองนะ เ้อาางผ่านไปนะแต่เราหนาทีนะเราซื้อกลับมาไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S จะใช้เงินกี่ล้านก็ซื้อมาไม่ได้ะแต่เราเห็นว่าเออมันมีค่านะแล้วเราก็พยายามดําันไปในคันลองที่มันถูกต้องในทางทรมมันจะไม่เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวนะทุกนาทีนี้มีค่าถึงจนะริงนะคราวนี้เราก็ไม่ต้องว่าเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะต้องเอามันให้ได้นะการเป็นบัตนินี่ส่วนหนึ่งคือเราจะเอาเหมันไม่ได้นะ อันนี้เราก็วางใจผิดนะบางคนบอกว่าเราต้องปฏิบัติทำให้ได้ผลรวดเร็วนะภายในกี่วันกี่วันพอเราไปตั้งปุ๊บมันก็ผิดทันทีเลยนะตั้งไม่ได้นะเขาเรียกว่าอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าอย่าอยา ก, ยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีนะเราก็ต้องวางความอยากตัวนี้ให้ได้นะวางความอยากไปก่อนนะแล้วก็ทําบับสบายๆทาสบายๆนะแล้วเราก็จะเข้าใจนะถ้าเราวางใจใถูกแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆก้าวหน้าไปเองนะ คือเราไม่ต้องอยากได้แต่เรามีฉันทะนะฉันทะที่จะทำนะครั้นี้อทําไมเราเราโชคดีนี่นะจริงๆนะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนานะอบางทีฟังเราไปเออทําไมพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาจริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าศาสนาคืออะไรนะศาสนาในโลกเนี่ยมีหลายศาสนาเลยในที่ใหญ่ๆก็มีศาสนาคิดศาสนาอิสลามใช่ไหมศาสนาพุทธนะ แล้วก็สน า, าอื่น ๆ, ๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีอยู่เยอะนะแต่ใหญ่ๆก็มีสามสน า, านี่แหละแต่กรณีสานาอื่นๆที่ว่าทั้งหมดนั้นนอกจากสานาพุทธเนี่ยเขาจะเป็นเรียกว่าเป็นลัทธิเทวนิยมนะเทวนิยมทั้งนั้นเลยนะเทวานิยมก็คือเขาจะมีพระเจ้ามีพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่เคารพนับถือของเขานะมันจะเป็นฐฐนลักษณะเลยกว่าผู้ใดซึ่งทำกรรมที่พระเป็นเจ้าท่านบอกเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็น อะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกต้องตามศาสนานั้นนะก็คือลัทธิเทวนิยมนั่นเองเป็นการทํำด้วยความศรัทธาเป็นหลักนะแต่ว่าศาสนานี้ศาสนาพุทธของเรานี้ไม่ใช่ลักษณะของเทวนิยมนะศาสนาพุทธนี้เป็นลักษณะของอสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมศาสนาที้ต่างากับเทวนิยมตรงไหนนะตรงที่ว่าพุทธศาสนานี้คือสัตธรรมจริงๆนะคืออย่างไรนะ พระเจา้าในทรงแสดงของจริงว่ า, าสรรพสิ่งทั้งหลายนไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งต่างในโลกนี้ทั้งหมดนะตกอยู่ในพระไตรักทั้งสิ้นเลยคือเป็นอนิจจังทุกขังนาตานะอันนี้เป็นความจริงที่สุดนะเราเถียงไม่ได้เลยนะแล้วก็ไม่ว่าคนจะนับถือศาสนาใดๆนๆเป็นเด็กคป็นผู้ใหญ่ก็รู้จะตกในพระไตรักทั้งสิ้นนะอันนี้เป็นของจริงนะคราวนี้หนทางที่เราจากความทุกงน่ะ ถ้าเราไปบัตในตามหลักของพระศาสนาก็คือปฏิบัติโดยตามหลักของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้จริงๆนะมันเป็นคนณทางที่จริงๆเลยว่าเราทําแบบเนี้ยเราจะถึงความพ้นทุกข์ได้จริงๆนะไม่ได้เกี่ยวว่าเรานักพุทธศาสนาพุทธิแต่อย่างใดนะแม้แต่คนศาสนาอื่น <c oughs> ก็เชื่อว่านะถ้าคนนักพุทธศาสนาอื่นแล้วเขาไปบัตตามหลักของศาสนาของเรานะ ปฏิบัติในขนทางนี่แหละเขาก็พ้นทุกได้เหมือนกันโดยไม่ต้องมนอานับทูษะศาสนาเราแต่อย่างใดเพราอมาข น, ะนะทางนี้เขาเรียกว่าเป็นขนทางที่ไม่ใช่ศาสนาตัวเองนะไม่ใช่ศาสนานนนนะครั้งนี้ว่าดำเนินเป็นอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าใครดำเนินในตามทางเนี่ยมันต้องพ้นทุกจริงจริงนะพราะพรพุทธเจ้านี่เป็นแค่ผู้ชี้ทางเท่านั้ น, นะผู้ชี้ทางบอกให้เดินในทางนี้นะ ที่ทาเดินในทางเนี่ยว่าต้องเดินในทางนี้ถ้าเราไม่เดินในทางนี้เราก็ไมพ้นทุกแน่นอนนะอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนง่ายๆแล้วกันะยกตัวอย่างง่งายๆๆ <g iggle> คือผู้ที่เคยทําบุญกับผู้เจ้ า, าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่พ้นทุกก็ยังมีเลยนะยกตัว อ, อย่างนะพระนางมาริกาทวีเป็นต้ น, ตนพระนางมาริกาเทวีเนี่ยเคยทําบุญกับผู้เจ้าด้วยนะทําบุญเอาไว้เยอะมากนะนะแล้นางนาคนาดีกรมก็เคยทําบาปไปด้วย ครั้งนี้ระกร่อนที่จะตายนี่ก็เป็นนึกถึงบาปที่ตัวเองทำเอาไวนะ้น่ะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ไปลงนรกเจ็ดวันนะฮะลงนรกเจ็ดวันนะเราที่หลงจากเจ็ดวันแล้วนะ่ก็จะต้องพนจนากนรกแล้วละ่ะนะคร น, นี้พระเจ้าปเสนโกซึ่งเป็นภรสวามีของพะนางมริกาเทวีนก็ไถามพรเจ้าว่าเออพะนางมริกาเนี่ยไปเกิดเป็นอะไร พระเจ้ารู้แล้วจะบันทามเรื่องเนี้แต่ถ้าตอบตามความเป็นจริงปั๊บเนี่ยก็ยังไงพระเจ้าประเสริฐนกุศลเนี่ก็จะหมดศรัทธานในพระศาสนาทัน ท, ทีเลยบอกว่าอา้ทำไมทําบุญเยอะขนาดนี้ทําไมต้องมาลงนรกอีกนะนะก็จะหมดความศรัทธานในศาสนานะนะพอพ้นจากเจ็ดวันแล้วเนี่ยอก็มาถามครั้นี้ก็นึกออกแล้วมาถามว่อขณะนี้พระนางมาริกาได้เกิดภป็อะไรพเจ้าบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหน้ามหาบพิตรขณะนี้พระนางมาริการเนี่ยอาไปเกิดเป็น อาเทวติบนสวรรค์แล้วนะนะอันนี้นนนนนเราจะเห็นว่าคือจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นอันนี้คือกฎแหนะ่งกรรมนะกฎแห่งกรรมกฎแงกรรมตามบาปความจริงนะเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าใครได้ทา บ, บุญกับพระเจ้าแล้วจะต้องได้ขึ้นสวรรค์ทุกคนก็หาไม่นะเพียงั้นมันต้องเป็นประกามกฎแห่งกรรมอันนั้นจริงๆว่าเ อ, อขณะก่อนตายนะ่ยเขาวางจิตถูกไหมนะพระเจ้าได้ทรงตรัสว่าจิตเตสังเทศ ทุกขติปาฏิคงขาเมื่อจิตเศร้ามองแล้วทุกขติพนันหวังได้นะก็คือก่อนที่เราจะตายเนี่ยถ้าจิตเราเศร้ามองอ่จิตเศร้ามองเคยจิตที่มันไม่ผ่องใสเนไปคิดถึงบาปกุศลที่เราเคยทามาเล็ก ๆ, ๆน้อยนก็แล้วแต่เราก็ไปสูญบายอู่พุ่ทันทีเลยนะก็เป็นไปตามกฎแหงกรรมเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเอาเรานัาถือพระพิจารณาแล้วทำบุญทำแล้วเราจะได้เครื่องรางทุกคนก็หาไม่นะนี่คือหลักความจริงคือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะ แล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่าจิตตสุสังกิเลเถสสวัติปาติงขาเนะมื่อจิตไม่เศร้าหมองแนละ้วสุกติปันันหวังได้นะก็คือคนที่ก่อนตายเนะี่ยที่มีจิตที่ผ่องใสนะคือไม่เศร้าหมองในะจิตกรผ่องใสนะียก็จะไปสู่สวัตินะสวัตติคืออะไรก็คือเป็นอาจเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมนะแล้วก็ทุกติคืออะไรทุก ต, ติก็มีสัตว์ในช้างเป็ดสุรกายสันนรกเนี่ยมันมีสองอย่างนะ เพราะนั้นจุดนี้จึงเป็นเ ป, เป็นไปตามหลักความจริงนะเป็นไปตามหลักความจริงเลยนะนะว่าผู้ใดจิตเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นจริง ๆ, น, น, งๆนะเราเห็งวาศาสนาพุทธไม่เหมือกับศาสนา <ivo> <ung> อื <c oughs> อ่นๆบางทีศาสนาอื่นเนี่ยแค่เราเคารพ <carbon S 1> พระเจ้าเนี่ยเราก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วน ะ, อ, ะอันนี้แต่ว่าเราเป็นไปตามกฎธรรมจริงๆนะหรือแม้แต่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกไว้ในสมัยสมัยนั้นนะบอกว่า แต่จริงๆก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าเป็นอย่างบางคนเห็นฉับพลังสีของพระเจ้าว่ามีจับพังสีลสัษมีที่เป็นของจักรกายสมัยนั้นไม่รู้ว่าเขาเห็นจริงหรือเปล่านะมาในสมัยนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงหรือเปล่านี่มีฉับพลังสีจริงหรือเปล่าครื่องลัษมีจักรกายจริงหรือเปล่าแต่โดยวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะว่าอ่าคนเราในมีลัษมีจักรกายจริงๆนะโดยการถ่ายจากกล้องออรานะกลองออร่านี่จะจับ แสงที่าจะตัวคนได้นะเพราะว่าบงคนเนี่ยคนเราไม่มีแสาทุกคนนะบางคนถ้ามีสมาธิดีน่ยก็จะมีสีน้ําเงินเข้มนะบางคนที่โกรธเก่งก็จะมีสีแดงนะส่วนคนที่มีสีธรรมจะมีสีขาวสีเหลืองนะคนที่มีปัญญาสนิทจะมีสีทองนะคือคนเรามีลักษณทุกคนเพราะนั้นบางทีครูบาอาจารย์นถึงจะดูเรารู้นะว่าเราเป็นอย่างไงจิตใจเราเป็นอย่างไงถึงดูลักษณยางเราได้นะ มีสิ่งต่างๆนั้น ไ, ไม่เหมือ น, อนกันเพราะที่ทุนวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญเท่าไหร่เนี่ยคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะยิ่ ง, งรุ่มเรืองขึ้นทุงนั้นนะโดยเฉพาบางที่ทุ่นสมัยก่อนนั่นก็เคยพูดถึงเรื่องเด็กที่ในคันบรรดาเนะี่ยว่ากียรติเงาเกียรตินี่จะเป็นตุ่ม5้าปุ่มอาทิตย์ต่อต่อไปจะเป็นอย่างไรมีแขนมีขานะ่ยซึ่งสมัยนั้นก็ไม่มีเท็กซ์เลนนั้แต่สมัยนี้ก็พิสูจน์ได้จริงๆนะรายละเอียนี้พิสูจน์ได้หมดเลยนะ นี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่วิทยาศาสตร์นี่ยังตามมาไม่ถึงุศาสนานะยังเซดายอารสตายอาสตายอาสตายนี่ถือเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนะมีคนถามอาสตายว่าอารอสตายจะนับถือศาสนาอะไรคืออสตายนี่ไม่มีศาสนานะอสตายบอกว่าพระจะนับถือศาสนาอะไรในโลกเนี่ยก็จะนับถือพุทธศาสนานั่นเองนะ เพราะเป็นศาสนาสากลของโลกนะอัาสัมบัปว่าพระศาสนาเป็นศาสนาสากลของโลกเลยนะเพราะว่าเป็นหลักความจริงนั่นเองนะแล้วยัสตาเนียพยายามพิสูจนในเรื่องพระนิพพานนี่มาแทบจาตลอดชีวิตนะคือตั้งแต่ที่คุ้นคิดในเรื่องสูตรที่ผลิตนิวเคลียร์เนี่ยอีพีเอ็มซีรังสองเนก็พิสูจน์ตัวนั้นมาได้ก็ทาให้เกิดระเบิดปรวลนูขึ้นมาพอหลังน้นได้ตัวนั้นแล้วนะก็พยายามคิดทื่นดีต่างๆจนมาถึงทื่นดีเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานนี่แหละ แต่ยังไม่สําเร็จนะยังไม่สําเร็จนะจคือจริงๆแล้วเราก็คงจะใกล้จะสําเร็จแล้วแหะแตามาตายซะก่อนก็ยังเสียดายอยู่เพราะว่าในขณะที่ตายในมือก็ยังกรรมกําสูตรอะไรที่เกี่ยวพุทธศาสนาอยู่เลยพยายามพิสูจนอยู่แต่ยังไม่สําเร็จนะถ้าสภาภิสูจน์สำเร็จน เ, จเจนี่ย่านนี้อาจจะมีคนเหาได้แล้วนะ <c oughs> อาจจะมีคนโอ้สามารถที่ทไม่ต้องใช้มือถือแล้วส่งพลังจิตคุยกันได้เลยนะคือสามารถที่จะเอามาพูดเป็นวิทยาศาสตร์ได้เลยนะ ว, ว่าวิทยาศาสตร์นั้นมันยังตามไม่ถึงพระบุตรสันานั่นเองนะเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เนี่ยสามารถเป็นความจริงทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดโอปาติกาทั้งหลายสา ม, มเวสีทั้งหลายไปแต่สุมมกาสัตว์นรกทั้งหลายอันนี้ไม่จริงทั้งหมดน ะ, ะหรือว่าคู่ใดจิตเป็นอย่างไรจิตอย่างไรนะมีหมดเลยในะอภิธรรมนะอภิธรรมนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดมากทฤษฎสฐานทุคุณญาของพระพุทธเจ้า่จริงมากจิตทั้งนมีแด้วงนะโดยทฤษาีานก็มีร้อดวงนะ งานที่เราศึกษาจริงก็เป็นแบบนั้นหรือแม้แต่จริงๆเราเราไม่ต้องถึงระดับนั้นเราถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตเราเราเห็นจริงเราเนเปลีป่ยนแปลงทั้งวันนะเป็นไปตามหลักวิธรทำเลยนะมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นแทบไปตลอดเวลานะจิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเลยมากนะแต่เราตามจิตไม่ทันนะถ้าเราตามจิตทันเรากจะเห็นแล้วว่าเดี๋ยวกุศลเดียวกุศลนะทั้งวันเพราะนั้นเราไม่ต้องไปทําบาปึงบุญทั้ ง, งหลายแล้ว อบาปนี่เราไม่ได้ไปฆ่าสารักทรัพย์ไม่ได้ไปไปผิในการมหรืออะไรทั้งหลายแหละในสี่ห้าไม่ต้องไปทำแค่จิตของเราเนี่ยเป็นอุปสงเราก็เป็นบาปแล้วนะจิตอุปสงเนี่ยเราคิดตํางหนคนอื่นคิดตํางหนีเข้าในใจอันนี้นะ่ะเขาเรียกว่าเป็นบาปแล้วเพราะจิตเป็นอุปสงเกิดขึ้นนะจิตมีโทสะอ่าจิตมีโลภะนี่คือโดยเราไม่ได้ไปทําเลยแค่จิตเราคิดมันก็เป็นอุปสงค์ือเป็นบาปแล้วน่ะเขาเรียกว่าอ่า กิเลสกรรมวิบากอ่ะเพราะกรรมกรรมคือความคิดมันเกิดขึ้นมันเกิดวิบากทุกทีแล้ววิบากคือผลแห่งกรรมที่มันต้องตามมาอย่น่นอนนะแค่เราคิดเท่านั้นเองไม่ต้องเลยทำหรอกนะเพราะนั้นบาปมันสําเร็จด้วจิตของเราแล้วนะจิตเราแค่คิดเนี่ยมันเป็นบาปแล้วเพราะนั้นจึงเกิดกรรมได้สามอย่างนะคือกายการวาจาใจการวาจาใจก็คือทางใจนี่แหละเขาเรียกว่า จิตมันเกิดอาสมณ์ปั๊บนี่เป็นบาปเลยนะเพราะเราจิตต้องรักษาจิตให้ดีอย่าไปคิดอารมณอะไรเป็นอันขาดนะหรือที่ผู้ชายผู้หญิงสวยๆเนะี่ยไปคิดอารมณ์นี่ก็เป็นบาปเหมือนกันนะโดยยภาพบันทีกับผู้ที่ทรงสูงผู้ที่ทร ง, ททรงคุณความดีเยอะๆนะหรือผู้ที่ทรงรำเราต้องรักษาจิตให้เยอะเลยอย่าเป็นนักตนนี่ โดยกนนารเนขานแม้จะทุนจะทุนผิดจริงมาาแมอบางที่ท่านทุนผิดแต่เราก็เป็นนึกไม่ได้นะแค่เรานเนี่ยจะเป็นบาปเลยนะนเราต้องรักษาให้ดีอย่าเป็นนึกต้องนีใครอย่าไปเพ่งโทษใครอ่าเราต้องรักษาอย่างให้หงุดหงิดนะอย่าให้มีความโกรดความรอบความหลงท้งหลายอลไรนะต้องรักษาให้ดีนะ น, นี่ไม่พูนแล่นเพราะส่งม่เป็นบาปทั้งนั้นเลยแค่เรานึกก็เป็นบาปแล้วเนี่ยโอ้หน้ากลัวมากนะพะคนมันไปลงนรกกันเยอะแบบนี้อ่ะเห็นไหม และในขณะเดีเยวกันนะถ้าเรานิกจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมันก็เป็นบุญเราไม่ไปทำบุญที่ไหนไม่ไปเสียนะไม่ไป บ, บาศเดียวนะที่เราเอาวิสรยรู้เท่าทันในการที่เราเคลื่อนไหวนในจิตที่มันได้คิด ท, ทั้งหลายหลายเนี่ยถ้าเราถ้เาเราละเลิกได้เท่านั้นเองนี่คือกุศลแล้วนะกุศลจิตแล้วนะแค่เราละเลิกได้เท่านั้นขณะนี้นเราเป็นยังไรเราคิดอะไรอยู่นะเราละเลิกเมื่าเราขณะนี้เรากำลังโกรธก็กาลังโกรธกาลังโกรธกำลังชกร และแค่นี้ทุกอย่างจะเป็นบุญล้เป็นบุญมีศูนย์ด้วยนะเพราะนั้นบุญทั้งหลายหลายหรือบาปทุงหลายหลายไม่ได้เกิดทไนกิดในจิตเราทั้งนั้นเลยเราต้องรักษาจิตให้ดีพยายามที่จะให้รู้สึติสอดเวลาเพราะถ้าไม่รู้สติในจิตมันจะหลงอันทีนะจิตนี่มันมีหน้าที่หลงนะคุยง่ายเลยจิตเราเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติเน่ยมันหลงมากเลยนะคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมนี่คุยงานหลงประมาณ9ก้าก้าเร์ซนการกาปร์เซนนี่หลงนะหลงเยอะมากเลยนะ แล้จริงๆเราก็เคยเป็นบ้านักกรรมกรนะเราเคยก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเจริญตินพวกเราจริงๆก็เคยเป็นบบนั้นมาทั้งแรงทั้งนานแล้วแต่เรารู้ม่ทันนั่นเองเราที่ป็ะเมิไม่หลงแต่จริงๆเราหลงทั้งวันเลยหลงมาในความคิดนะหลงในการที่ไม่รู้ว่าขณะนี้เราทําไอยู่ขณะนี้เรากาลังมีลมอะไรเกิดขี้นี่คือความหลงแน่เลยหลงทางกายหลงใจข้อีก็เราลืมกายหืงใจนะพอมันลืมปั๊บมันกหลงทันทีนะตัหลงนเป็นบาปนะเป็นบาป พราะนั้นที่เรากิดมาเนี่ยสมมติตอนในในเราวัยอายุ40 40ปีเนี่ยแสดงหว่าที่ผ่านมา3าปีนั้นเราสร้างบาปเยอะแยะเลยสร้างบาปเยอะนี่ยเพราะฉะนั้นโหเนี่ยพอเพอเรามาฝึกจรรยติเนี่ยเราบางทีฝึกนักแคปีเด็กเราจะเห็นเลยโอ้มันมาก่อนเราหลงเยอะจริงๆนะแล้วพอปัจจุบันนี้เราก็เล่มแล้วเล่มแล้วรู้ทันความหลงขึ้นมาแล้วเอเรารู้ทันความคิด รู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นรู้ทนารมณ์ปานี่มันเกิดขึ้นน ะ, น, ะนี่รู้รู้ทันปั๊บเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้เลยนะพอเปลี่ยากหลเป็นรู้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบุญเกิดตลอดเลยมันเปลี่ยนเป็นชีวิตเราทังชีวิตเลยนะคือตอนเก่าไปที่ผ่านมานะมีระบาตเกิดขึ้ น, นแต่พอมาปีนี้ปั๊บเนะี่ยเราจะมีบุญเกิดขึ้นตลอดคือบุญบุญที่เรารู้ทันนั่นเองนะนะบุญที่เรารู้ทันอันนี้เขาเรียกว่าสตินะสติคือความระลึกได้คือเราเลึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่ ขณะนี้เรากําลังคิดอะไรขณะนี้เรากำลังคิดดูนะขณะนี้เรากําลังหลงไปทางตาดูถึงร่างกายใจนะเราจะรู้ทันนี่เป็นบุญทั้งหมดเลยนะแล้วกําลังวหลงก็จะค่อยๆน้อยลงนะจาก 99% เก้าอรก่อ น, นมันจะมันจะกลับกันมันจะค่อยๆกลับกันละเมียก็จะเพิ่มขึ้นมาตัวรู้จะเพิ่มเรื่อยตัวหลงจะค่อยน้อยลงนะ จงทุ่มที่เราเป็นพระรยาเจ้าเนี่ยตัวหลงก็แทบจะหมดไปเลยนะเราจะมีแต่ตัวรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะตัวรู้มันจะเข้าใจจะเห็นเห็นถุงสลายว่า่างๆนี่มันเกิดขึ้นทางกายทางใจเราแทบตลอดเวลานะเราจะเข้าใจแยกออกมาเออไอ้นี่นี่มันกายขอเราหรือเปล่านะแยกมันเลยเอนี่มันรู้เป็นนามร่างกายอย่างมันขึ้นไหวเราจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเรานะ แต่เห็นมันก็คนอื่นเคลื่อนไหวนะมันก็คนเดนอะไก็คนอื่นมันเคลื่อนไหวไม่ให้เราเคลื่อนไหวมันก็ค่อยๆยากเราเห็นไปเรื่อยๆนะมันคืดันเดินเออใครเดินนะไม่ใช่เราเดินวะนะเป็นคนอื่นเดินนะมันก็ค่อยๆยากไปนะจิดคิดเราก็ค่อยอยู่นะความคิดมันเกิดขึ้นนะมันคิดกับมันเองนะมันไม่ไม่ตั้งใจคิดมันคิดมาเองมันก็ค่อยยากไปให้เราเห็นเรื่อยๆนะเราจะเห็นกายมันทํางานมันเองใจมันทางานมันเองนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเราก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะ มันก็มาเพ่งโทษกันเลจริงๆแล้วไม่อยากจะเพ่งโทษใครนะแต่จริงๆมันไปเพ่งโทษเองก็มีใช่มั่ามันทำงานมันเองตลอดไม่ไดเห็ัมันถ้าเราด้วยเฉยมันก็คิดบล็อกขึ้นมาเออเราไม่อยากคิดเองนี้มันก็คิดมาทั้งที่มันรู้มันเปนคิดมันก็มีความทุกข์มันก็คิดึ้นมาเองใช่ไหมเราบังคับมันไม่ได้มันทำงานมันเองตลอดเน่ยมันก็ค่อยๆแยกไปนะแยกแยกรูปแยกนามแยากายแยใจเลยเห็นมันไม่ใช่ตัวในตนที่เราจะไปบังคับบัญชามันได้นะ มันจะเกิดเป็นยาในตุนนเรื่อยๆนะครับเขาเรเห็นความจริงไปเรื่อยๆนะในที่สุแล้วก็จะเห็นว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะยึดจะติดนันนะแล้วมันก็จะค่อยๆเข้าเข้าสู่ความจริงอยู่ทุปปณะนะใจก็จะเป็นกลางนะเป็นกลางไปเรื่อยๆนะคือมันจะถอดจากความยินดีร้ายไปได้เร็วขึ้นนะถ้าเราเราเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้ก็จะเป็นมัชฌิมาปฏิปา ท, ทาคือทางสายกลางที่เราสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากนะ บางทีเราทางสายกลางเนี่ยมันไม่รู้จะเขายังไงแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากหรอกแค่เราให้ใจเป็นการจริงๆท่นั้นเองนะก็คื อ, อไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันมันก็เกิดอุเบกขาได้เร็นะเพราะจริงๆแล้วเบกขาเนะี่ยมันตารปัดปัดกิเลสได้อย่างเร็วที่สุดนะบางทีเราอะไรก็แล้วแต่ตาก ร, รุบๆหูดได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายรดยยนร้อนแข็งใจนกคิดนะแค่เราเบกขาเท่านั้นเราเออเราแค่สักเราไม่เฉย สักไปเรารู้ปุ๊บนันคือใบขานะก็คือความที่เร า, เ, ราเขาเรียกว่ารู้เฉยๆรู้สักแต่ว่านั่นเองนะรู้ที่สุดเลยเข้าถร้เราจริงๆเรายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งก็คือพระภัยคยะกันละกันนะพระภัยยะในบุญเก่านะี่ท่านมีอยู่เยอะมากนะคือในสมัยพระพิจารนาดีตเนี่ยท่านชวนกับพระอีกข้ารูปเนี่ยขึ้นได้บรดูเขาเลยนะขณะนั้นท่านยังไม่ได้เปิดบัตรทําได้ไม่ไสําเร็จอะไรหรอกแต่ว่ายอมตายถวายชีวิตไง ก็ขึ้นภูเขาแล้วก็ถีบบันไดลงมานะแล้วก็ตั้งสัจจะนั่งห้าลูกเลยบอกว่าถ้าหากว่าไม่สําเร็จอะไรทัอกอย่างหนึ่งก็จะยอมตายบนภูเขานี้วันรา ก, ก็พระองค์รา ก, ก็สามารถที่จะสําเร็จเป็นพระหันได้ก็ขอไปบิณนบาลมาเลี้ยงอีสีองค์ก็ไม่ยอมนะไม่ยอมชันต้องไปบัต ด, ด้วยตัวเองนะวันที่สองก็สําเร็จปีองค์ในพระหันก็ขอไปบินบาลมาเลี้ยงอีกสานก็ไม่ยอมนะ นนกเจจ็เป็นเนี้ก็สำเร็จกันไปสามองค์ทางหันอีกองค์นึงก็สําเร็จเป็นทางนาคามีนะส่วนพระพายะนี้ไม่ได้สําเร็จอะไรเลยไม่ได้ย่างเดียวก็อดตายอยู่บนภูเขานั่นแหละเข้ามาคราวนี้ก็มาในชาติเนี้ยก็มาเกิดเป็นอ่าเป็นพ่อค้าค้าขายทาำอะเลก็นั่งสำเพาไปท่าขายก็พอดีเรื่ก็ล่มนะประสบมรสุมเือล่ ม, ลมก็ว่ายน้ำมาขึ้นฝัง่งอแต่ว่าสมัยนั้นก็เรียกว่าไม่ใส่กางเกงแบบเราถือนะใส่ยัน เป็นผานุ่งอะไรบางอย่างก็หลุดหายไปหมดนงเพราะขึฝันก็ไม่มีอะไรใส่ก็เลยเป็นหาใบไม้มานุ่งนะก็เดินไปตามหมู่บ้านแล้วกฏโอ้ชาวบ้าบนเขาว่าเป็นพาาระหันแล้วมั่งเพราะว่าไม่ไม่เอาอะไรเลยเสื้อผ้าก็ไม่เอาเนาี่ยก็มานับถือกันเป็นพาาระหันท่านก็เลยสมยอมสมอ้างไปแต่ก็รู้ตัวไม่ใช่เป็นพระหันหลอกครั้นี้พอดีตอนหลังก็มีมีคนมาบอกว่าอตอนนี้มีพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วเนี่ย พระพายาก็พอได้ยินครับว่าพระพเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็ทวนไม่ไหวนะทนไหวก็เดินทางทั้งน้ำคืนเพื่อที่ไปฟังพระเจ้าน่ยพอไปถึงในพระพุทธเจ้าบริบาบทยุดที่กังนนก็เข้าไปกราบเลยบอก่ขอฟังธรรมจากพระุงค์ในขณะนี้พระเจ้าบอกว่า น, นี่ไม่ใช่เวลาที่จะฟังธรรมนะเดี๋ยวกลับไปถึงที่บ้านแล้วก็ถกตัวทําให้ฟังนะท่านมาขอขั้นที่สองก็ไม่ให้จนขั้นที่สาก็เลยแสดงธรรมให้ฟังบอกว่า อ่าเห็นก็สัตเห็นได้ยินก็สัตวได้ยินอ่าทราก็สัตทาราบรู้ก็สัตววรู้นะพอแค่นั้นเองก็สําเร็จเป็นพระรหัสเลยนะพวกเราได้ยินทีนี้สำเร็จนะอย่างอีกกรอะไรนี่แล้วต้องสร้งระเบียเยอะๆมันก็ภพา พ, าพายาเนะีอาจจะสําเร็จก็ได้นะแล้วเพื่อนก็เลยให้เป็นเอตทาักท้ในการสําเร็จบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดที่สุดเลยนะก็คือมันแค่สัตววนาแหน่งก็คือเห็นก็สาตได้เห็นได้ยินก็สัตได้ยินนะหูได้ยิน หรือว่าที่มกได้กินก็สักไร่กิ่นเล่นกระทบรก็สักตะวลบนะการกระทบกินรอ่อแข็งก็สักแปว่าอระจายน้คลิก็สวานะทราบก็คือสักตะวซาบนะรู้ก็สักตวรู้รู้ก็คือรู้เฉยเฉยนั่นเองนรู้นะที่เราฝึกกัคือตัวรู้นั่นเองนะรู้สักตะวรู้นั่นเองนะเนี่ยเราก็จะสำเร็จเป็นพรหารห์ได้นะเพราะนันก็อย่างที่เมื่อกี้ก็ได้บอกไปแล้วะจริงจริงแล้วมันก็ก็คือว่าจุดน้นั่นเองนะ แล้วก็เราฝึกที่มันจะสักแต่ว่าเนี่ยแล้วก็อยา่าไปยินดียินร้ายกัมันก็คือใจเป็นต่างนั่นเองนะจะเป็นกางไม่ยินดีดินร้ายเนี่ยมันก็จะสกแต่ว่าเท่านั้นเองนะแล้วเราก็อาจจะสําเร็จเป็นพาาระหันสุกวันหนึ่งนะเอาละครพวกเรานีนะสานารถทำให้ถึงทีท่สุด ท, ทุกได้ในชาติภพนี้ทุกท่านเถิน